สักการะชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สมบัตนะิเงินทองที่ได้รับนะจากน้มพักนํำแรงของเราแม้จะเป็นนับพักนํำแรงที่ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทมถ้าเราไปยึดติดมันเมื่อไหร่นะก็เป็นอันตรายเมื่อ น, นั้นท่านใช้คำว่ายาพิษเลยนะสิ่งดีๆที่ทุกคนปรารถนาลาบสักการะ ชื่อเสียงทรัพย์สมบัติวุก็คือความสุขทางโลกเนี่ยมันย่อมเป็นพิษได้เสมอถ้าไปยึดติดถือมันกับมันแต่ที่ยึดติด ก, ก็เพราะไม่พิจรารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้าง้คนมักจะมองเห็นว่าเออลาภสักการะชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่เป็นของดีคือมองไม่เห็นโทษของมันว่า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 จะไปมาว่าเป็นของเราเน้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการที่จะเป็นทุกข์เพราะความเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าสารเสรินินทาเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มมีคนเขาพูดไว้ดีนะเขาบอกว่าคาชมเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับหมากฝรั่งนะ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 มันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยรูปเนี่ยก็หมายถึงร่างกายส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรวมๆ ว, ว่านามรูปก็ไม่ใช่ของเรานามก็ไม่ใช่ของเราไปยิดรูปนี่เป็นของเราเมื่อไหร่นี่มาเตรียมตัวทุกได้เลยนะ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 ครัวตานะชื่อครัวคนระัวโตครัวนี่มันเป็นคำโบราณ น, นะเดี๋ยวนี้ก็เราก็เรียกว่าหลวงพ่อนะแต่สมัยก่อนเขาใช ว, ว่าครัวคัวตานะท่านบอกท่านเนี่ยฉันชื่อครัวโตจ้ะโตนี่ก็คือชื่อเดิมของท่านคือท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถึงมา่วว่าเป็นเป็นเป็นของท่านหรือเป็นตัวท่านนะ ถ้าใครพูดถึงสมเด็จท่านก็ชี้ไปที่พัทย์นะนั่นแหละสมเด็จอันนี้ก็เป็นเป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะที่รู้ว่าลาบสักการานี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดมั่นถือมันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่อยากจะลงเรือเลยนะให้ฉันเป็นสมเด็จนี่ฉันจะลงเรือไปเข็นเรือได้ยังไง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 ถ้าเขาไม่เรียกก็เรียกตัวเองรซะเลยว่าฉันคืออาจารย์อันนี้ก็เป็นเพราะว่าความยึดติดนะในผลแห่งความดีความยึดติดในศักการะและชื่อเสียงบางทีมันก็ไปยึดในเรื่องที่ละเอียดนะนั่นต้องระวังอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอย่าว่าแต่ลาบศักการะชื่อเสียงหรือทรัพย์สมบัติเงินทองเลย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 ถ้าท่านมรณาภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วมีคราวหนึงท่านไปผ่าตัดนิ้วนะนิ้วในไตผ่าตัดนิ้วสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีมากพอผ่าตัดเสร็จท่านก็ซักพักท่านก็บอกหมอกะเพยาบาลว่าเขาอยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอกะเพราบาลก็แปลกใจว่าหลวงพ่อไม่เจ็บเหรอเพราะเพิ่งผ่าตัดมาใหม่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 นอนหมดแรงแต่หลวงปูป่บุดาซึ่งอายุมากที่สุดนะแปสิบแล้วมั้งหรือเก้าสิบท่านก็อาจเจียนเหมือนกันแต่อาจเจียนเสร็จท่านก็ามานั่งคุยกับโยมต่อคุยกับโยมเจ้าของบ้านพูดให้กำลังใจโยม่ยโยมที่เสียขวัญ น, นะทำให้พระนี่มาล้มป่วยแล้วคนก็แปลกจใจทำไมหลวงปู่นี่นะสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะพระรูปที่เหลือเนี่ย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 ซึ่งก็เป็นประไปกับพวกเราด้วยถ้านำไปปฏิบัติอาชานี่ก็พูดกับท่านนี้นะกรับพระ